ความเป็นผู้มีญาณอันบุคคลอื่นพึงแนะนำย่อมไม่มีแก่พราหม์คือพราหมผู้มีญาณอันผู้อื่นไม่ต้องแนะนำไม่ต้องอาศัยผู้อื่นไม่เชื่อผู้อื่นไม่ดำเนินไปด้วยผู้อื่นเป็นผู้ไม่หลงไหลมีสัมปชัญญะมีสติระลึกได้ย่อมรู้ย่อมเห็นสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยง น, นนะสังขารทั้งปวงว่าเป็นทุกทำทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมี สังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะท่านสมุทยาสัจจะท่านเห็นเป็นอย่างดีแล้วถ้าอวิชชาดับโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารจึงดับนนิโรธสัจจะท่านเห็นเป็นอย่างดีพราะท่านจึงเห็นทุกเห็นทุกขสมุทัยเห็นทุกขนิโรธเห็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อท่านเห็นอริยสัจอย่างนั้นท่านก็รู้ว่าเออนี้กิเลสเป็นอย่างนี้นะความเกิดของกิเลสเป็นอย่างนี้ความดับกิเลสเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับกิเลสเนี่ยเป็นอย่างนี้นะท่านก็รู้ว่านี้ นี่อะไรนี่ทำที่ควรรู้ยิ่งนี่ทำที่ควรกําหนดรู้นี่ทำที่ควรละทำที่ควรเจริญนี่ทำที่ควรทําให้แจ้งพระท่านรู้เหตุเกิดความดับอสาศท า, า, าอาทีนวะนิสระของอุปาทานขันห้าผัสสายตนาหกมหาภูต ร, รูปสี่พระนนั้ท่านจึงรู้แม้กระทั่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือทุกขัสัต์ทั้งหลายเนี่ยนะเกิดขึ้นเพราะสมุทัยสัตต์เป็นธรรมดาใช่ไหม ถ้าดับสมูทัยศัตร์ได้ทุกษัตย์เหล่านั้นก็มีอันดับเป็นไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องมีผู้อื่นมาแนะนาท่านคือท่านรู้อย่างนั้นจริงๆนะท่านไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอีกแล้วคำว่าในธรรมทั้งหลายความว่าที่ที่62ิประการความตัดสินใจคือตัดสินใจแล้วชี้ขาดค้นหาสแสวงหาตรวจตราสอบ สวนทาให้แจ้งแล้วจึงจับมั่นยึดมั่นถือมั่นรวมถือรวมรวบถือรวมถือรวบรวมถือถื อ, ถอความถือความยึดถือความยึดมั่นความถือมั่นความน้อมใจเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงแน่แท้เป็นสภาพเป็นตามเป็นจริงไม่วิปริตย่อมไม่มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้ คือเป็นธรรมะอันพรามคือพผ่ารหัส น, นั้นละตัดขาดสงบประงับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานพราะฉะนั้นทิฏฐิหกสิบสองที่เป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินเนี่ยผ่ารหัลละได้โดยประการทั้งปวงคําว่าเพราะเหตุนั้นพรามจึงเป็นผู้ล่วงเสียซึ่งความวิวาททะเลาะทั้งหลายความว่าเพราะเหตุกัณะปัจจัยนิทานนั้นอ่ะพรามจึงเป็นผู้ล่วงก้าวล่วงล่วงพร้อมเป็นผู้ล่วงซึ่งความทะเลาะด้วยทิฏฐิ ความหมายมั่นด้วยทิฐิความแกงแย่งด้วยทิฏฐิความวิวาด้วยทิฐิความทุ่มเถียงกันด้วยทิฐิท่านไม่เอาทิฐิเนี่ยเป็นเครื่องทะเลาะเบาแวงกันคาว่าพรามเพราะพรามย่อมไม่เห็นธรรมะอื่นโดยความเป็นธรรมประเสริฐคือพรามย่อมไม่เห็นไม่พบไม่แลเห็นไม่พินิษไม่พิจารณาซึ่งธรรมะคือศาสดาธรรมะที่ศาสนาบอกมูคณะทิฐิปฏิปทามมรรคอื่น อันะท่านไม่เห็นข้อปฏิบัติอื่นนอกจากโพธิปัจขิยธรรมสามสิประการว่าสติประธานสัมมาประธานอิทิบาทอินทรีย์พร ะ, ะโพชฌงอริยมักมีองค์8ว่าเป็นธรรมประเสริฐท่านไม่ยอมรับหรอกว่าไอข้อปฏิบัติอื่นนอกจากโพธิปัจขิยธรรมเนี่ยทำให้บริสุทธิ์ได้ท่านปฏิเสธทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิเศษเป็นประธานอุดมบวรฉะนั้นเพราะพราหมณ์ย่อมไม่เห็นธรรมะอื่นโดยความเป็นธรรมะประเสริฐเนี่ยนะ สรุปว่าญาณอันบุคคลอื่นพึงแนะนําย่อมไม่มีแก่พระอาหารหันต์ความตัดสินใจด้วยทิฏฐิแล้วถือมั่นในธรรมทั้งหลายก็ไม่มีแก่พระอาหารหันต์เพราะเหตุนั้นพระอาหารหันต์นั้นจึงเป็นผู้ล่วงเสียแล้วซึ่งความทะเลาะวิวาททั้งหลายเพราะพระอาหารหันต์ไม่เห็นธรรมะอื่นโดยความเป็นธรรมประเสริฐเนี่ยนะท่านไม่ยอมรับอย่างอื่นนอกจากโพธิปัจขิยธรรมรักที่จะประเสริฐเนี่ยนะโพธิปัจขิยธรรมสาิบเจดประการ สมณพราหมณ์บางพวกย่อมเชื่อความหมดจดด้วยทิฏฐิว่าเราย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งความหมดจดนั้นน่ะจริงแท้หากว่าสมณพราหมณ์ผู้หนึ่งได้เห็นแล้วสมณพราหมณ์ผู้เห็นนั้นน่ะจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นนั้นเล่าพวกสมณพราหมณ์ล่วงเสียแล้วย่อมกล่าวความหมดจดด้วยทัศน์อื่ น, น, นก็พวกที่ยึดถือความหมดจดด้วยทิฐิ เนี่ยนะก็ย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งความหมดจดที่ตัวเองเห็นเนี่ยว่าจริงแท้แต่ละคนก็ยึดถือในสิ่งที่ตัวเองเห็นเนี่ยว่าจริงใช่ไหมคำว่าย่อมรู้คือย่อมรู้ด้วยญาณเป็นเครื่องรู้จิตของผู้อื่นหรือย่อมรู้ด้วยญาณเครื่องรกชาติที่อาศัยอยู่ในการกอดอันนี้อันี้กล่าวถึงมิจฉาทิฐิที่เกิดจากระดับสูงเนี่ยนะมิจฉาทิฐินี้เกิดจากมียภิญญาละลึกชาติได้แล้วเกิดมิจฉาทิฐิเนี่ยนะ หรือรู้จิตของผู้อื่นแล้วทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิคำว่าย่อมเห็นคือย่อมเห็นด้วยมังสะจักษุหรือย่อมเห็นด้วยทิพจักษุคำว่าย่อมคาว่าซึ่งความหมดจดนั้นจริงแท้ความว่าซึ่งความหมดจดนั้นน่ะแน่แท้เป็นจริงเป็นตามจริงไม่วิปริตฉะนั้นจึงชื่อว่าเราย่อมรู้เห็นซึ่งความหมดจดนั้นน่ะแท้จริงนะก็เนื่องจากตัวเองมีอภิญญานะละลึกชาติได้ รู้วาระจิตของผู้อื่นรู้ด้วยตาเนื้อตาทิพเป็นต้นเนี่ยเนื่องจากมีความรู้ความสามารถขนาดนี้ก็เลยนึกว่าตัวเองเนี่ยเห็นความหมดจดเนี่ยนะคำว่าสมณพราหมณ์บางพวกย่อมเชื่อความหมดจดด้วยทิฐิความว่าสมณพราหมณ์บางพวกย่อมเชื่อความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบด้วยทิฐิ คือสมณพราหมณ์บางพวกย่อมเชื่อความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบด้วยที่ถีว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้จริงอย่างอื่นเปล่าคือบางคนเนี่ยระลึกชาติได้ใช่ไหมอย่างที่กลุ่มที่ที่หกสิบสองเมื่อระลึกชาติได้เข้าเอ๊มันไม่ตายสักทีนะเหมือนกับว่าจริงๆมันก็ตายเกิดตายเกิดแต่ถือว่าเที่ยงเอ า, อาก็ถือว่าเที่ยงเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะปฏิเสธว่าโลกเนี่ยเที่ยงอย่างอื่นไม่ใช่ บางพวกก็บอกไม่ใช่มันไม่เที่ยงหรอกเนีน่ยนะก็ถกเถียงกันยืดถือทิฐิเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็ย่อมเชื่อทิฐิของตัวเองนั่นแหละคำว่าได้เห็นแล้วก็คือเห็นด้วยเจโตปริยานกลับได้รู้แล้วด้วยปุปเพนิวาสานุสติยานหรือเห็นด้วยมังสะจักรสุหรือเห็นด้วยทิจัจจสุมันสมณะพราหมณ์ผู้หนึ่งเห็นแล้ว คำว่าสมณะพราหมณ์ผู้เห็นนั้นจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นเล่าความว่าสมณะพราหมณ์นั้นจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นนั้นคือด้วยการกำหนดรู้ทุกข์จะมีจะมีได้อย่างไรความละสมุทัยจะมีได้อย่างไรความเจริญมักก็ไม่มีความทำให้แจ้งผลก็ไม่มีความละด้วยการตัดขาดซึ่งราคะก็ไม่มีความละด้วยการตัดขาดซึ่งโทสะก็ไม่มีความละความตัดขาดด้วยโมหะก็ไม่มี ความละด้วยการตัดขาดซึ่งกิเลสทั้งหลายก็ไม่มีความตัดซึ่งสังสารวัฏก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าหากสมณพราหมณ์ผู้หนึ่งได้เห็นแล้วสมณพราหมณ์ผู้นั้นน่ะจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นนั้นเล่ า, านะคือพอเห็นสัตว์เกิดสัตตะเออเขอภัยพอเห็นหรือรู้ว่าระจิตของผู้อื่นได้ละลึกชาติได้มีตาทิพรู้ได้อย่างนี้เข้า เพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่มีความสนใจในการรู้อริยสัตว์นีนะคือบางกลุ่มใช่ไหมพอเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายมีความรู้ความสามารถรู้ความพิเศษเนี่ยจะมาสนใจอริยสัตว์ไหมนี่นะอย่างอย่างที่เราเคยรู้ ร, รกันเนี่ยนะเช่นบางคนก็บอกเขาเนี่ยรู้วาระจิตของผู้อื่นนะบางคนเขาก็บอกเขาเลืกชาติได้ตัดกรรมได้อะไรได้ถามว่ากลุ่มนั้นสนใจอริยสัตว์ไหมโดยมากไม่มีความสนใจอริยสัตว์เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ทําปริญญาในทุก ไม่ละสมุทัยไม่อบรมอริยมรรคไม่ทำให้แจ้งซึ่งอริยผลเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีการตัดขาดสมุทัยสัตว์ไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหกิเลสเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการตัดวัตตเพราะฉะนั้นก็ทำไปทำมานะเก่งกล้าสามารถถึงการละลึกชาติได้เห็นเห็นเทวดามีตาทิพย์เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งรู้วาระจิตของผู้อื่นก็นึกว่าตัวเองนี่ถึงจุดสุดยอดแล้วนึกว่าพ้นแล้ว ดนั้นบุคคลเหล่านี้จะไม่สนใจในข้อปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอริยสัจเมื่อไม่ทำให้แจ้งอริยสัจอย่างนี้การตัดขาดวัตะก็มีไม่ได้การตัดสมุทัยสัจก็มีไม่ได้คาว่าหากสมณะพราหมล่วงเสียแล้วย่อมกล่าวความหมดจดด้วยทัศนะอื่นนะความว่าสมณะพราหมเหล่านั้นล่วงเลยก้าวล่วงเป็นไปล่วงซึ่งทางแห่งความหมดจด ทางแห่งความหมดจดวิเศษทางแห่งความหมดจดรอบทางเขาวทาง ข, า ว, า, งขาวรอบย่อมกล่าวบอกพูดแสดงถแถลงซึ่งความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพน้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบก็ mm. พวกนี้ก็จะปฏิเสธใช่ไหมคือล่วงปฏิเสธสติปัญฐานเป็นต้นปฏิเสธโพธิปัจฉยธรรมเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ล่วงเลยข้อปฏิบัติ น, น, นะนะก็เลยปฏิบัติ อื่นไปจากสติประฐาน 4, สีสัมมารประธานสี่ที่บาทสอิน 5, ร, 5, 7, อรี่ห้าพละหโพชงเจ็อรยมัคมีองค์8ด้วยทิฏฐิเพราะฉะนั้นทิฏฐิของเขาเนี่ยแหละทำให้เขาไม่สนใจโพธิปัจขยธรรมทาให้ไม่สนใจตจศิกขาทําให้ไม่บําเพ็ญ อ, อธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเพรันเมื่อเขาไม่อบรมสติประธานเป็นต้นเขาก็จะไม่กําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้ เมื่อไม่กําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้เขาจะละธทำที่ควรละได้อย่างไรเมื่อไม่ละธทมที่ควรละก็ไม่มีการทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งเมื่อไม่ทําให้แจ้งนั่นแหละเรียกว่าผู้ไม่ได้ภาวนาเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นสมณพราหม์ที่ล่วงเสียแล้วคือล่วงเลยโพธิปักขยธรรมเนี่ยนะก็เลยกล่าวความหมดจดด้วยทัศนะอื่น น, นะเพราะฉะนั้นก็ถือเอาอะไรถืออภิน ญ, ญาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความหมดจดอย่างแท้จริง บางคนเขาก็ถือว่าเนี่ยเพราะเขาบรรลุคุณนวิเศษนะเขาจึงมีตาทิพย์เขาจึงระลึกชาติได้เป็นต้น น, นะนะอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพุทธสาวกทั้งหลายก็ดีพระปจเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีย่อมล่วงเอ่ยย่อมล่วงเลยก้าวล่วงเป็นไปล่วงเส่งทางแห่งความไม่หมดจดทางแห่งความไม่หมดจดวิเศษทางแห่งความไม่หมดจดรอบทางแห่งความไม่ขาวทางไม่ขาวรอบโดยทิฏฐิของสมณพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมกล่าวบอกผู้แสดงถแถลงซึ่งความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความหมดจดวิเศษความพ้นความพ้นโรคด้วยสติปัฏฐานคือพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกพระประเจกเนี่ยท่านถือเอาความหมดจดตามโพธิปัขจะธรรมคือสติปัฏฐานสามารถประทานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงอรยมักอันประกอบไปด้วยองค์8ท่านปฏิเสธอย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าลทัทธิใดก็ตามเนี่ยไม่สามารถทําให้หมดจดได้หรอก นอกจากโพธิปัจจะธรรมสามสิบเจ็ดประการเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเบื้องต้นก็คือการบ่มโพธิปัจจะธรรมบ่มธรรมะที่จะทำํำที่จะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ฉนั้นการอบรมศีลอบรมไตรสิกขาเป็นต้นเนี่ยนะก็คือการอบรมเพื่อบรดความบริบูรณ์แห่งโพธิปัจจะธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานล่วงเสียแลว้ว ย่อมกล่าวความหมดจดด้วยธรรมะอื่นคือท่านปฏิเสธที่ที่หิทั้งหมดเนี่ยนะ